สาขาที่1ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-5921933 ้พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovation for Life ค่ะพบกับพิฉญ์ั้นคุณก น, นิททองเงานะคะที่ FM 8 9 5 m ิบเกรส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุก ร, ระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะ Innovation for Life ในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันและก็นําเสนอเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมเครื่องย่อยญ้าในเปียโดยใช้การชีวภาพช่วยกเกษตรกรที่ อำเภอบ้านโป่งนะคะซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์หงทองนะคะซึ่งจะเป็นผู้พูดคุยการเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวกันค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับรายการ Innovation for Life แล้วนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะ<า>่ะก<า>่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยการเกี่ยวกับาการออกแบบนวัตกรรมเครื่องย่อยย่าในเปียโดยใช้การชีวภาพนี้ค่ะ อ, อยากให้ทางอาจารย์ผู้ช่วยศาจารย์ชัยรัตนหงษ์ทองซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําสาขาอุตสาหกรรมการผลิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกราหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของการพัฒนานวัตกรรมหรือ innovation ในครั้งนี้ก่อนนะคะว่า มีจุดมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างนะคะครับผมจุดเริ่มต้นก็คือนักศึกษาได้ลงพื้นที่การเลี้ยงวัวของเกษตรกรที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ทราบถึงปัญหาว่าเวลาหญ้าเนเปียมันแก่แล้วเนี่ยวัวจะรับประทานไม่ได้ก็คือไม่รับประทานเลยนะครับเลยก็ให้เป็นโจทย์ว่นานักศึกษาน่าจะมาทำเป็นเครื่องย่อยหญ้าเนเปีย แต่ด้วยเครื่องย่อยญ้าในเปียในท้องตลาดเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของเรางานวิจัยส่วนใหญ่ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นทางด้านไบโอแก๊สแล้วเกษตรก ร, ร, ก, รก็มีไบโอแก๊สอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทําเป็นเครื่องย่อยย่าในเปียโดยใช้ไบโอแก๊สหรือที่เราเรียกว่าการขีดวภาพนะครับอืออาจารย์คะขออนุ ญ, ญาตถามเรื่องเกี่ยวกับญ้าในเปียนี่ก่อนนะคะว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะคะอาจารย์ย่าในเปียาเกษตรก ร, ร, กรผู้เลี้ยงวัวเมื่อก่อนส่วนใหญ่เราจะ ใ, ใช้ฟาง ให้กับวัววัวกินนะครับหลังๆมีการสนับสนุนให้ใช้หญ้าเนเปียซึ่งมันเป็นหญ้าที่จริ ง, รงๆแล้วมันก็เป็นหญ้าพลังงานด้วย mm hmm. นะครับก็เลยให้ใ ห, ให้ให้วัว ก, กินเข้าไปแต่วัวเนี่ยจะกินหญ้าที่มันอ่อ น, ออนๆที่เป็นส่วนใหญ่เพื่อจะให้ได้ปริมาณนมที่ที่ดีขึ้นนะครับแต่พอหญ้ากแกๆ่ๆวัวไม่กินก็จะทิ้ง mm hmm. แล้วก็เอาไปเผา mm hmm. ทีนี้ถ้าเราผลิต เราก็มีแนวะคิดว่าคุยกันว่าถ้าเกิดทำเครื่องย่อย้าแล้วเนี่ยอัวก็จะผะกินขึ้นเราก็ไม่ต้องเอาเศษที่เหลือเนี่ยไปทิ้งนะครับเพราะว่ากว่าเราจะปลูกหญ้ามาได้ก็ใช้เวลานานถึงสี่สิบห้าวันขั้นต่ำถึงจะให้อัวกินได้ครับผมค่ะ เออขอขออนุญาตเป็นมุกนะคะอาจารย์อ่านี่เองเนี่ยน่าจะเป็นที่มาแบบวัวแก่ทานหญ้าอ่อนเลยว่ากินหญ้าอ่อนหรือเปล่าคะอาจารย์คือวัวไม่กินหญ้าแก่ใช่ไหมคะใช่ครับวัวไม่กินหญ้าแก่ครับออืต้องกินหญ้าอ่อนๆเพราะถ้าหญ้าแก่แล้ววัวไม่ยอมเคี้ยวเพราะว่าอ่าก็เหมือนคนแก่ครับเคี้ยวเคี้ยวหญ้ามีเนี้ยวก็ไม่ไหวเพราะนั้นหมอก็เลยแนะนําให้กินหญ้าอ่อนๆอืมค่ะก็คือว่าปกติแล้วหญ้าหญาเนเปียเนี่ยก็คือเอออาจจะ หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้มันมันจะมีหน้าตายัางไงก็แสดงว่าญ้าในเปียโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือคือมันแข็งถูกต้องไหมคะเลยจะต้องหาวิธีการการย่อยอย่างนี้อย่างจะบอกอย่างนี้ได้ไหมคะอา<ช>จารย์ส่วนใหญ่ต้นต้นญ่าในเปียถ้าลักษณะคล้ายคล้ายเหมือนต้นอ้อยครับแต่เล็กลงเพราะฉะนั้นมันจะมีข้ออยู่ซึ่งตรงข้อตรงนั้นอนะ่ะถ้าเกิดอ่าญาในเปียเกินหกสิบวันแนละ้วข้อตรงนั้นมันจะแข็งแล้ววัวจะเคี้ยวไม่ไหวออื ค่ะเราหญ้ามันโตรเร็วใช่ไหมคะอาจารย์โตรเร็วเฉพาะอยิ่งตอนหน้าฝนเนี่ยโตรเร็วมากครับอืมค่ะแล้วโดยทั่วไปก่อนที่จะใช้การชีวภาพย่อยเนี่ยค่ะปกติแล้วแล้วอย่างนี้เกษตรกรให้ให้วัวทานยังไงอ่ะคะมาย่อยกันยังไงคะ เ, คเขาก็เขาตัดมาบางทีเขาก็จะใช้มือสับสับให้ท่อนมันสั้นลงนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ารีบไม่รีบ ถ้าเรียก็สับให้มันห่างหน่อยถ้าไม่รียบมีเวลาเยอะก็สับทีๆมันก็จะละเอียดขึ้นแต่ก็ก็เสียเวลาในการที่จะมานัง่งมานั่งสับครับ ใ, ใช้แรงงานด้วย น, น, นั่นเราก็เลยมีอย่างใช้แรงงานด้วยเกษตรกรบางคนเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงวัวเป็นสิบตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าวัวแต่มาหันหญ้ายอยู่เนี้ยเสจยวเวลานานครับออื ค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์ได้ไอเดียมาจากไหนว่าอย้ยาในเปียเนี่ยจะใช้วิธีในการใช้ก๊์ดชีวภาพช่วยย่อยแล้วกระบวนการเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีกระบวนการอย่างไรคะอาจารยออ์ด้วยเกษตรกรที่เราเราเราเราลงไปพื้นที่นะครับเขามีการเลี้ยงย้าอยู่เลี้ยงย่าในเปียปลูกย้าในเปียแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยแล้วเราก็เคยไปสนับสนุนให้เขาทําทบ่อไบโอแก๊สเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าจะประยุกต์ ด้วยงานลนาักษณะงานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงานของไบโอแก๊สก็เลยเอาไบโอแก๊สตัวนั้นมาขับเครื่องยนต์แล้วก็เอามาย่อยย่าเพื่อให้วัวกินได้สะดวกขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นครับผมแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าอืองงานวิจัยเขาต้องให้เด็กลงพื้นที่แล้วเด็กจะเห็นว่าสมควรจะเอาหัวข้ออะไรนะครับไม่ใช่ว่ามามานั่งทามานั่งนึกแล้วก็ทําไวโดยที่ไม่รู้ว่าจะาไปใช้อะไรออื อาจารย์ข่างานขออนุญาตถามไรดีเอ็นนิดนึงนะค่ะว่าที่<ด>ที่บอกว่าเอ้เครื่องที่จะย่อยย่าเนเปียรเนี่ยค่ะมันจะต้องมีเรียกว่าอต้องประกรอบกันขึ้นใหม่หรือว่ามีการอะแดปแอปพลจากเครื่องที่มีอยู่แล้วแล้วก็กระบวนการเป็นอย่างไรอะคะสําหรับเครื่องนี้ยค่ะทั้งประกรอบแล้วก็กระบวนการการทํางานของมันนะคะครับผมประกรอบก็คือเครื่องของเราเนี่ยเราอะแดปจากเครื่องของของของที่เขามี แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น mortar, อมอเตอร์ซึ่งเวลาเราเอาไปใช้หน้างานเนี่ยมอเตอร์มันไม่สามารถใช้งานได้ส่วนใหญ่กเกษตรกรต้องการใช้เครื่องยนต์พอเป็นเครื่องยนต์ก็ต้องใช้น้ํามันพอน้ํามันก็เปลืองแพงเราก็เลยคิดที่จะใช้ไบโอแกาสขึ้นมามนะครับไบโอกส๊สก็จะเอาไปขับเป็นเชื้อเพลิงไปขับเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วเครื่องยนต์ก็ใช้ประมาณเครื่องยนต์เบนซินก้าวแรงมาก็จะไปขับใบมีตัวมีตัวขบตัวนึง เป็นลูกลูกกิ่งครับ6เพื่อเอาลําเลียงตัวหญ้าในเปียเข้าไปพอเข้าไปเสร็จก็จะมีใบมีดเพื่อตัดเขาเป็นท่อนนะครับออกมาแล้วก็มีช่องรองรับข้างหน้าเพื่อเอาใส่ถุงหรือใส่อะไรเนี่ยเอาไปให้วัวรับประทานได้เลยอืมแสดงว่าเครื่องนี้อ่าจะต้องใช้คนขับไหมคะหรือว่ามันอัตโนมัติเลยหรือว่ายังไงคะมันอัตโนมัติเลยครับคน<อ>คนสามารถใช้คนคนเดียวป้อนตัวหญ้าในเปียเข้าไป ข้างละสามกิโลฟืบๆใส่เข้าไปเครื่องก็จะย่อยสมมุติเราใส่ข้างเราใส่ข้างหน้าเอาย่ า, ยายในเียเสร็จมันก็จะออกข้างหลังเราก็หาถุงมาใส่ uh huh. ข้อดีของอีกอย่างหนึ่งก็คือย่ายในเปียเนี่ยถ้าถ้าเรายังย่อยมาปลูปริมาณเยอะเราย่อยมาเราก็ใส่ถุงแล้วเราก็มัดเก็บไว้มันก็จะหมัดไว้วันข้างหน้าเวลาไม่มีญ่าเราค่อยเอามาให้วัวทาน เอาออกมาให้วัวกินก็ได้ครับอืมแสดงว่ากระบวนการการทํางานที่ใช้คนเนี่ยก็คือต้องต้องไปตัดหญ้ามาก่อนถูกต้องไหมคะอาจารย์แล้วมาป้อนมาป้อนใส่เครื่องอีกทีนึงแต่ว่าแค่ใช้คนเดียวเองใช้คนเดียวครับขัดเครื่องยนต์เสร็จแล้วที่เหลือก็ก็ป้อนลงไปเฉยๆอันนั้นเองใช้คนคนเดียวครับเกษตรกรสามารถทำงานได้คนเดียวอืมอาจารย์คะถามอีกนิดนึงเครื่องเราเล็กค่ะค่ะอาจารย์อ่าเครื่องเครื่องขนาดของเครื่องเป็นยังไงคะเมื่อกี้อาจารย์บอกเครื่องเล็ก เครื่องลงเครื่องลงเล็กครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรถ้าจะย่อยโดยที่สปาร์ตแล้วก็ยิงใส่รางปล่อยให้มันใส่รางลงไปที่วัวกินเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเรามีล้อสามารถเข็นไปได้ไม่เป็นไรค่ะพอจะนึกออกคือสามารถย้ายได้ใช่ครับช่ว<ม>ยย้ายได้สะดวกช่วยย้ายได้สะดวกแล้วก็เวลายิงอ่าปล่อยย่อยเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในรางอาหารวัวได้เลยครับออื อาจารย์คะทีนีเ้เครื่องยนต์เนี้ยอาจารย์บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้น้ำไม่ได้ใช้น้ามันถูกไหมคะใช้ก๊าซชีวภาพใช้ไ<ค><ค>บออแก๊สไบออแก๊สแล้วไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพนี้อาจารย์เอามาจากไหนอะคะไบโอแก๊สก็คือหมักหมักมาจากของมูลวัวครับอืมครบวงจรควบวงจรนี้ยคือวัวถ่ายมูลเสร็จอืมก็จะเอาไปปกติเขาก็จะเอาไปตากเพื่อเอาไปขายเป็นเป็นปุ๋ยข้อนะครับแต่หลังๆเขาก็เอาไปหมักก่อน ชีนี้ก็จะไปหมักหมักเพื่อให้เกิดไบโอแก๊สก่อนเอาไบโอแก๊สเสร็จหมักเสร็จแล้วก็เอามูลวัวเนี่ยค่อยเอามาตากแล้วก็ไปขายเป็นปุ๋ยแต่กระบวนการก็คือเราได้แก๊สออกมาแล้วในไบโอแก๊สมาด้วยอือค่ะแล้ว เ, เราวิธีการที่จะใช้ไบโอแก๊สกับกับเครื่องยนต์นี้ล่ะคะอาจารย์อ่าไบโอแก๊สตัวนี้มันต้องอัดเพิ่มแรงดัน นะครับในบ่อใบแก้วจะมีบ่อเป็นแบบคอบเวอร์ก็คือเป็นแบบผ้าใบหรือบ่อฟิกโดมอะไรพวกนี้แต่เรามาเพิ่มแรงดันเพื่อเป็นงานวิจัยครับเราก็เลยต้องมาอัพใส่ถังก่อนใส่ถังก๊าซถุงต้มขนาดสิบห้ากิโลกรัมที่เราใช้กันตามบ้านนะครับอัดที่แรงดันประมาณร้อยแปดสิบปอนด์ต่อตรางนิ้วแล้วเราก็เอามาเปิดใช้งานเพื่อเข้ากับเครื่องยนต์ ครับผมค่ะก็เหมือนเหมือนกับใช้ใช้ LPG อะไรอย่างน้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คกับ ก, ก็เหมือน <ผม S 2> ใช้ LPG ใช่โอค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้ในในเครื่องเนี้ยค่ะเครื่องเครื่องย่อย่าในเปียนเนี่ยที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะอาจารย์ได้มีการทดลองใช้ไหมคะแล้วก็จุดคุ้มทุนหรือหรืออะไรได้มีการคำนวณไว้บ้างไหมคะ อ่าทดลองใช้ที่ฟาร์มของเกษตรก ร, เ, กรเลยครับที่ <c oughs> อ่าบ้านป่งราชบุรีนะครับแล้วทุกวันนี้เราก็ยกให้เขาใช้เพราะว่าอ่าเราเป็นงานที่อย่างที่มหลาลัยราชมงคล น, นะครับต้องการบริการชุมชน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ทําแล้วเราก็ให้เกษตรกรคุย ใ, ใช้เลยส่วนจุดคุ้มทุนเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณไม่เกินยี่สิบสตางค์นะครับต่อต่อหญ้านในเปลียนสิบห้ากิโลกรัม <c oughs> เพราะว่าเราใช้เป็นเป็นไบโอแก๊สมีต้นทุนนิดเดียวก็คือค่าไฟที่ที่ที่เอามาอาัดนะครับแต่ว่าตัวเด็กที่เด็กทดลองเนี่ยมันจะมีค่าไฟกับค่าน้ำมันนะครับที่เอามาอาัดซึ่งเรากำลังพัฒนาว่าเราจะอัดโดยใช้ไบโอแก๊สเป็นตัวอัดเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย จริงเนาะอาจารย์เราอย่างไอพลังงานหรือว่าก๊าซเชื้อ า, าพลิงหรือไบโอแก๊สเนี่ยมันก็มาจากมูลวัวอยู่แล้วแล้วก็เอามาหมักใช่ครับอืเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ ม, มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะทุกอย่างก็ครบวงจรเพียงแค่แบบมีต้นทุนในเรื่องของค่าไฟอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ต้องลงทุนในเรื่องเครื่องที่จะเป็นมาใช้ในเรื่องของการย่อยญ่านั่นเองมีแค่สองสองจุดเองเนาะสองจุด อาจารย์คาแล้วแนวโน้มที่จะพัฒนาเครื่องนี้ออกก่อนที่จะถึงแนวโน้มขอถามอาจารย์ก่อนว่าที่อาจารย์ได้ไปทดลองอ่ะค่ะเอเกษตรก ร, ร, กรที่นําไปใช้เขาบอกว่ายังไงบ้างคะ เ, เขาพอใจมากครับเพราะอย่างที่อาจารย์บอกปกติเนี่ยพอพอย่าในเปียมันแก่หัวไม่กินแล้วก็เอาไปกองไว้แล้วก็ไปเผาซึ่งมันก็เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุเพราะนั้นหลังจากนี้มาเนี่ยเขาก็ย่อยก่อน พอย่อยเสร็จวัวเองกินกินจนหมดอะครับอืเพราะฉะนั้นมันก็จะคุ้มใช้สิ่งที่ปลูกมามัน ค, มคุ้มใช้อย่างคุ้มค่าอนะครับอนออาจารย์คาแล้วทันทีที่ผลงานอาจารย์เนี่ยผลิตเสร็จนําไปทดลองใช้ได้รับฟีดแบ็มาแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งได้ออกสื่อหลายสื่อเหมือนกันมีฟีดแบ็จากเกษตรกรที่อื่นมาบ้างคะบ้างไหมคะเพราะว่าในบ้านเรานี่เกษตรกรที่เอ่อเรียกว่าเลี้ยงวัวเนี่ยก็ทํา ธุรกิจโคโนมก็เยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็มีนะครับเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าต่างพื้นที่ยิ่งยิ่งในพื้นที่นั้นมีความสนใจมากออ mm ื hmm. เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่แถานั้นไม่ค่อยไม่ค่อยท mm ํ hmm. าไบโอแก๊สอพอเขารู้ว่าไบโอแก๊สมันสามารถหมุงต้มได้สามารถใช้งานอาประยุกต์ออกมาใช้งานอย่างอื่นได้เนี่ย mm hmm. เขาก็เริ่มมีความสนใจที่เขาอยากจะติดตั้งพวกบ่อไบโอแก๊ส แล้วก็พวกเครื่องย่อยยาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็เขาให้ความสนใจมากช่วง น, นี้ครับผมค่ะ เพราะว่านอกจากที่เราจะได้ก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สมาใช้แล้วเนี่ยพลังงานเหล่านี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ยัง<ช>เป็นการแบบว่าเหมือนเหมือนปลูกฝังให้ให้เริ่มแบบหันมาสนใจกันกันมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ใช่แค่ใช้ในเครื่องย่อยย่าเท่านั้นยังไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยเนาะอย่างอย่างก๊าซหุ่มต้มแบบว่าใช้แก๊สในบ้านก็ยังได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช้แทนการการ๊าซหุงต้มเขาจะประหยัดไปได้เยอะครับ จากจุดเล็กๆก็ค่อยๆขยายวงจรไปแนวโน้มจะเป็นยังไงคะในในมุมมองของอาจารย์ค่ะแนวโน้มก็คือคนในพื้นที่เริ่มให้ความสนใจครับที่จะติดตั้งพวกบ่อไบโอแก๊สที่มันไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่มากเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วก็เอานำมาประยุกใช้ในงานอื่นๆก็กเกษตรกรให้ความสนใจมากครับในพื้นที่เหมือนเป็นเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้เล็กๆให้คนอื่นมาศึกษาดูว่าไบโอแก๊สมันสามารถใช้งานอย่างอื่นได้ จริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมที่อาจารย์สร้างขึ้นเนี่ยมันก็คือเครื่องย่อยญ่าในเปียโ ด, ดยใช้แก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สแต่หัวใจหลักๆมันคือการการเรียกว่าเออ่การติดตั้งหรือว่าการสร้างบ่อไบโอแก๊สเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะเนาะเพื่อที่จะให้ให้เขารู้จักคําว่าใช้งานนะครับอืมไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ใช้ในการหุงต้มก็ใช้แค่การหุงต้มอย่างเดียวนะอุปกรณ์ก็ให้ความสนใจครั แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้อย่างอื่นได้เกษตรก ร, เ ร, กรเริ่มให้ความสําคัญแล้วว่าเออมันมีประโยชน์นะมาหน้าเอาไปใช้งานนะแบบนี้ครับค่ะแล้วในอาจารย์แล้วก็ทีมงานของอาจารย์เองเนี่ยอ่ามีแนวความคิดไหมคะว่าจะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่อาจารย์สร้างขึ้นครึ่งยอ่อยๆในเปียดโดยใช้การชีวภาพเป็นอย่างไรบ้างคะเออตอนนี้มีโครงการว่าน่าจะทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นแหล่งเพื่อ ก, การเรียนรู้แล้วก็รับ เพื่อการย่อยย่าให้หมายถึงว่ากเกษตรกรข้างๆเขาไม่มีเครื่องย่อยอ ย, อย่างเงี้ยก็มาฝากเราย่อยออืเหมือนโรงสีข้าวครับก็ถึงมาที huh. ่ข้าวที่เก็ที่เราเราก็มาย่อยย่าให้เขาค่ะลักษณะน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับผมอมก็เหมือนเป็นแบบโมเดลหรือว่าโรงงานจําลองไวท้ที่อาจารย์<ไ>ก็ต้องสร้างไว้ที่มหาลัยหรือว่าต้องมีจุดสร้างเพราะว่ามันจะต้องสร้างบ่อก่อนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือคือเราทําให้กับเกษตรกรครับ เราไม่เอางานวิจัยเรามาเก็บไว้แล้วก็ขึ้นหิ้งเพราะว่าโจทย์เราคือเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อให้เกษตรกรเขาได้ใช้เขาจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่มากกว่าครับค่ะถ้าอย่างนี้เวลาอาจารย์จะสร้างเรียกว่าสร้างนวัตกรรมต้นแบบก็คือเครื่องย่อยย่าโดยต้องอเรียกว่าทำบ่อ ชีวภาพอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆแบบนี้หรอคะเหมือนไปให้ความรู้ในชุมชนหรือว่าให้เขาสามารถรวมตัวกันแล้ว ก, ก็มาขอคําแนะนําหรือฝึกอบรมจากอาจารย์นะคะโมเดลต่อไปมันจะเป็นยังไงอะคะโมเดลเราก็จะขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับบ่อมันมันน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกน่าจะเป็นคล้ายๆศูนย์าการเรียนรู้แล้วก็รับการย่อยย่าเป็นเป็นเป็นแหล่งของหมู่บ้านนะครับเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เวาเขาจะย่อยยากเขาไม่ต้องไปทำไหล่เครื่องครับจะทําทําไมเพื่อให้มันไหลเครื่องก็มาเหมือนคลๆมาจ้างแล้วเราก็ย่อยเสร็จแล้วคุณก็เอาย่ากลับไปออเขาจะได้มีอาชีพด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกบ้านจะต้องไปซื้อเครื่องหมดไม่ใช่ค่ะครับผมก็มองเป็นภาพใหญ่ว่าชุมชนไหนใช่ไหมคะอําเภอไหนตําบลไหนที่สามารถรวมตัวกันแล้วก็เหมือนมาปรึกษาเข้ามาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะมีทีมงาน ออกไปเหมือนจะต้องวางแผนร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอตอนนี้มีเข้ามาบ้างไหมคะมีเข้ามาบ้างไหมตอนนี้เรากำลังจะทำต้นแบบท่านงานก็คือจะทาต้นแบบที่เราเครื่องไปตั้งเนี่ยครับแล้วเราก็จะขยายสกเกลให้มันใหญ่ขึ้น โอเคค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะเกี่ยวกับแนวความคิดวัตถุประสงค์หลักๆที่อาจารย์ได้และทีมงานนะคะได้ออกแบบนะวัตกรรมเครื่องย่อยย่าในเปียโดยใช้การชีวภาพรวมถึงความคาดหวังของอาจารย์และทีมงานค่ะครับผมเครื่องยอย ย, ย่าในเปียโดยใช้การชีวภาพเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ย่อยย้าในส่วนที่มันแข็งนะครับโดยใช้ไบโอแก๊สที่ซึ่งผลิตมาจากมูลวัว นะครับเอามาใช้งานเพื่อให้รู้จักการใช้พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็จะมีการขยายสกเกลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับในการที่เราจะเอาไปนำไปใช้งานในชุมชนจริงๆนะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมค่ะสำหรับใครที่ฟังเราทั้งสองคนอยู่ในตอนนี้แล้วมีข้อสงสัยหรือว่าเป็นกลุ่มกเกษตรกรอยากจะติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดจะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรคะ เออเบอร์โดยตรงผมได้เลยครับเบอร์ศูนย์แปดหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดนะครับ ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ชัยรัตนหงทองครับผ ม, ม, มค่ ะ, คะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรชัยรัตนหงทองค่ะอาจารย์ประจําสาขาอุตสาหกรรมการผลิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมเครื่องย่อยย่าเนเปียด์โดยใช้การชีวภาพขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์คะ